ส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทํากันไปตลอดชีวิตนะไม่ใช่แค่วันสองวันไม่ใช่แค่อาทิตย์สองอธิตย์ไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนนะยิ่งเรืของอโศกเนี่ยเรายืนยันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราปฏิบัติธรรมกันไปจนตาย อ, ะอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคือคื อ, คอจริงๆมันดีอยู่อย่างนะบอกว่าเอา้าเราทํากันตลอดชีวิตนะมันมันมันช่วยยั้งได้เหมือนกันนะทําให้เออเอเดี๋ยวต้องประเมินตัวเองดีดหน่อย ทดลองดูดีๆก่อนสิว่าแน่ใจมั่นใจขนาดไหนแล้วถึงจะมาทิศนี้ทางนี้ขนาดอย่างเงี้ยดูสิเห็นไหมวิธีการอย่างของอโศกถึงได้แบบใครจะมาบวชเป็นสมณะชาวาโศกโอ้โหกว่าคุณจะผ่านด่านมาทีละด่านทีละด่านกรองคุณเรื่อยเลยกรองทีละชั้นทีละชั้นเอามาลองอยู่วัดก่อนอ่าอยู่วัดเสร็จอ่ลอง เป็นเด็กวัดดูที่ดูที่อยู่ได้ไหมามานอนอย่างนี้มาตื่ออย่างนี้มากินอย่างนี้มาทำงานแบบนี้ไหวหรือเปล่าดูที่เนี่ยกว่าจะมาเป็นสมณะชาวโงกได้อย่างน้อยก็สองปีนั่นแหละกลองคุณอยู่อย่างนั้นแหละสองปีโดนตีบ้างโดนว่าบ้างเพราะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยถ้ามีแต่ปัญญายมณีไม่ได้หรอกมันจะต้อง ปฏิบัติด้วยแล้วถ้าเป็นปัญญาจริงของศาสนาพุทธเนี่ยปัญญาของศาสนาพุทธนี่เกิดจากไม่ใช่เกิดแค่ความคิดนะเกิดจากการปฏิบัติก็เพราะว่าปฏิบัติปฏิบัติแล้วเนี่ยแหละแล้วก็รู้ถูกรู้ผิดอย่างพูะเจ้าเนี่ยเห็นไมท่านก็ต้องลองปฏิบัติเหมือนกันกว่าท่านจะรู้ได้โดยตัวเองนะว่าว่าอา้อาไอา้อัตตากริยาฐานโยคไอ้บัมเพทุกกรกริยา โอ้นี่มันทรมานตัวเองนี่อย่างนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกแน่นอนกว่าจะรู้ได้ใช่ไมท่านก็ลองปฏิบัติว่าเอานี่มันผิดทางถึงจะเลิกทิ้งไปแล้วก็เอาหันมาทางใหม่นั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าปัญญาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของพุทก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังนะบางค น, นชอบเข้าใจผิดว่าแค่ฟังฟังใครพูดมาแล้วเราก็โอ้รู้เข้าใจแล้ว ได้ไม่ใช่เลยปัญญาจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่เราฟังธรรมเนี่ยฟังเสร็จแล้วเนี่ยที่เราเอามาคิดเนี่ยที่คุณจะรู้ได้ถูกต้องและกระชัดเจนเนี่ยคุณก็คิดมาจาก เ, เขาเรียกว่าบารมีเก่าของคุณคือที่คุณประพฤติปฏิบัติมานั่นแหละจนกระทั่งคุณฉลาดมาขนาดนี้แล้วแล้วพอคุณมาฟังธรรมคุณก็มาเปรียบเทียบกับที่คุณปฏิบัติมาได้ แล้วคุณเงยชัดเจนว่าเออไอ น, นี้มันอย่างนี้เพราะไอที่บางทีเนี่ยฟังธรรมแล้วก็บรุบอกเอ้ไม่เห็นไม่ปฏิบัติอะไรเลยแล้วก็บรรุอะ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นสายเซนเขาอ่ะนิกายเซนเขาเขาถึงแบบบางทีบรุ้ทำฉับพันเขาก็เข้าใจตรงที่เรียกว่าแม้มาฟังเทศฟังธรรมปั๊บโอ้บรุแล้วก็จะเอาง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยบางทีไม่ใช่หรอกต้องปฏิบัติแล้วก็ปัญญาเนี่ยจะเกิดจากการรู้จัก ไม่ใช่รู้จักคนอื่นไงต้องรู้จักตัวเองแล้วที่บางทีฟังธรรมแล้วเข้าใจเนี่ยก็คือบอกรับผลจากการปฏิบัติของตัวเองคุณปฏิบัติได้แค่ไหนคุณจะมีปัญญารู้ได้แค่นั้นเพราะบางคนฟังธรรมเรื่องเดียวกันแต่รู้ไม่เท่ากันและปัญญาเกิดก็ไม่เท่ากันเพราะผลจากการปฏิบัติมาเนี่ยไม่เท่ากันเราใช้คำว่าบรารมีที่สะสมมาไม่เท่ากันนั่นแหละ อันนี้นี่คือความต่างเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วพอเราปฏิบัติแล้วเราเกิดปัญญาของเราแล้วใช่ไหมปฏิบัติแล้วแล้วก็มาเกิดปัญญารู้ความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้แหละที่เราก็มาเก็บเอาไว้เป็นของเราเองเพราะเนี่ยแหละรู้ได้โดยตัวเองไม่ใช่รู้ได้เพราะฟังพระเจ้าหรือว่าไปอ่านพระไตรปิฎกไม่ใช่ไม่ได้ไปฟังเทศครยอันนี้รู้จากผลปฏิบัติของตัวเอง เสร็จแล้วสะสมเป็นปัญญาเอาไว้คราวนี้ปัญญาตัวเนี้ยเป็นเป็นปัญญาผลอ่าเป็นปัญญาผลที่เรามีอยู่แล้วสะสมเอาไว้แล้วแล้วปัญญาผลที่เราสะสมไว้นี่เนี่ยคราวนี้ก็จะเอาไปใช้ไปคิดไปทำไปพูดไปอะไรต่างๆก็เอาปัญญาผลเนี่ยแหละากของเก่าที่เรามีอยู่นน เ, เนี่ยเนี่ยเอาไปใช้เป็นปัญญาตัวใหม่ในเรื่องอื่นๆ ที่เราจะคิดเราจะทำเนี่ยต่อต่อไปแต่คนเนี่ยชอบชอบมาคิดแต่ปัญญาตัวใหม่อะปัญญาตัวใหม่เพราะฉะนั้นคือคือคืออะไรอะคือเอาปัญญาตัวเก่าเนี่ยสมมติว่ามาพิจารณาเรื่องอะไรจริงๆคุณเอาความรู้เก่าของคุณเนี่ยแล้วคุณมาพิจารณาแล้วคุณก็รู้เนี่ยจริงๆริงนะเห็นไหมผลมันมาจากปัญญาตัวเก่าซึ่งเราประพฤติมาปฏิบัติมารู้ถูกรู้ผิดมาเอามาเทียบเคียงเอามาคิด เอามาคิดเรื่องใหม่แล้วคุณก็รู้คุณก็เข้าใจคนเราเนี่ยชอบมาเอาตัวใหม่ตัวนี้ปัญญาตัวใหม่ที่ได้เนี่ยจากผลจากตัวเก่านะแต่เขาเขาไม่คิดถึงไ อ, ไอตัวเก่าที่เขาสะสมมาเขามาเอาปัญญาตัวใหม่เนี่ยคราวนี้พอฟังทำปับ๊บบรรลุธรรมฟังทำกันเดียวเนี่ยเอาพระภาริยะทารุจริยะฟังผู้เจ้าแค่ ตัดบอกเอาสักแต่ว่าเห็นสักแต่ได้ยินสักแต่ได้ฟังอะไรมาอย่างเงี้ยโอ้โหท่านฟังแค่ไม่กี่คําพวกนี้เท่านั้นเองพิจารณาบรรลุธรรมเลยเป็นพระอาหารหันต์เลยคนก็เลยนึกนึกจะเอาแต่ไอไ อ, ไอตัวปลายไอไ อ, ไอตัวใหม่ที่เห็นเท่านั้นเองว่าเห็นแบบนี้เนี่ยแค่ฟังก็บรรลุได้แล้วเพราะฉปัญญาก็เกิดจากเกิดจากตัวนี้ คือเข้าไปเข้าใจตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ ย, ยที่จะเป็นปัญญานิยมเนี่ยแหละก็เลยจะเอาแต่ความคิดเมื่อไม่เข้าใจตรงนี้จะเอาแต่ความคิดแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วว่าปัญญามันเกิดจากการปฏิบัติสะสมมาแล้วมันถึงมาเป็นปัญญาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็จะลงมือปฏิบัติมากกว่าเอาแต่คิดนี่นี่คือความแตกตา่างแต่ถ้าตาบใด ไม่เข้าใจตรงนี้มันก็จะปัญญานิยมล่มเมืองตลอดนะจนกว่าเนี่ยแหละจะเข้าใจเข้าใจได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นปัญญานิยมร่มเมืองท่านยุท ธ, ธวโรนะอ่าสุดท้ายคนที่สี่คุณเพ่งงานไม่อ่านใจเธอจะถือสามากหากใครวางหนังสือวางรองเท้าวางช้อนวางจานไม่ถูกที่ คือเพ่งงานนะ่ะแหมจริงๆไม่ใช่เพ่งงานนะเพ่งโทษมากกว่าเพ่งโทษมากกว่านะคือถือสาไปหมดแหละเขาวางผิดที่ผิดทางมั่งเ อ, อเดินมาไม่ยิ้มให้อ้อาวดูสิไม่มีอะไรนะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมนดูสญสัมพันธ์เลยนะมเดินมา ยิ้มให้แล้วไม่ยิ้มตอบเลยนะเอาถือสาไปหมดแหละเนี่ยนย่งานในที่นี้ท่านท่านก็หมายถึงาการปฏิบัตินี่แหละงานในงานนอกเนี่ยในการปฏิบัติทำเนี่ยแหละเสร็จแล้วมันก็เลยมองแต่นอกตัวมันไม่มองในตัวไงท่านก็เลยใช้ว่าคุณเพ่งงานไม่อ่านใจคือไม่อ่านใจตัวเราเองเนี่ยชอบจะไปอ่านใจคนอื่นเขาเพราะนั้นคนพวกนี้ถึง ไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตว่ามันมองซ้ายมองขวามองใครมักมักจะมองแล้วก็ถือสาไปหมดมันไม่ค่อยมีความสุขนะพวกนี้ไม่ไม่รู้หน้าทรงอะไรอาเสรวยังไงอาโชคดีแต่โชคดีที่มีผู้รู้ทักท้วงว่า ระหว่างการวางจานกับการวางใจดูนะนี่มีผู้รู้สอนแล้วคือคือไปถือสาคนอื่นเขาไงวางจานก็ไม่ถูกวางช้อนก็ไม่ถูกอะไรเงี้ยมีผู้รู้มาสอนว่าระหว่างการวางจานกับการวางใจถ้าผิดที่อะไรจะเสียหายกว่ากันคือคือคือคือวางจานไม่ถูกที่เนี่ยนะเสียหายขนาดไหนกับถ้าวางใจ ไม่เป็นเนี่ยไม่ถูกที่เนี่ยอะไรเสียหายมากกับกันอะไรทุกมากกับกันอะไรเดือดร้อนมากกับกัร น, นะคือคือพูดอย่างนี้ก็จะรู้อะว่าใช่สิวางใจไม่เป็นเนี่ยมันทุกกว่ามันเดือดร้อนมากกว่าวางจานผิดที่ก็เดี๋ยวก็มีอะไรมากมายก็เก็บไปล้างกัเท่านั้นเองวันข่าวนี้ก็เลยเข้าใจตั้งแต่นั้นมาใครจะวางจาง ของผิดปิดบ้างถูกถูกบ้างอย่างไรก็ตามแต่คุณเพ่งงานก็จะวางใจไว้ที่อารมณ์ดีอย่างมี E q คิวอยู่เสมอปัญหาผิดที่ผิดทางก็หมดไปเมื่อเธอวางใจได้ถูกที่ถูกทางเพะะั้นความส ำ, สำคัญของคุณเพ่งงานไม่อ่านใจก็คืออ่านใจตัวเองให้ได้แต่ที่อ่านใจได้แล้วเนี่ย อ่านใจก็คืออ่านกิเลสตัวเองอะ่ะให้ได้เพราะอ่านกิเลสตัวเองได้ขั้นต่อไปคืออ่านกิเลสตัวเองได้เนี่ยคุณว่ามันสุขหรือมันทุกข์โอ้ทําไมเราเป็นคนอย่างนี้เนาะทําไมเราไปถือสาสุขหรือทุกข์ส่วนใหญ่คืออย่างนี้มันตอบว่าสุขก็ได้ตอบว่าทุกข์ก็ได้ความสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าคนนั้นเนี่ยเข้าใจสภาวะจิตแล้วหรื อ, อยังถ้าจิตของคนนั้นเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิแล้ว มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือมีความคิดเห็นแบบมีดวงตาเห็นธรรมมีตาทิพธ์เพราะฉะนั้นคนที่ตาทิพธ์เนี่ยจะรู้เลยว่าการเห็นกิเลตัวเองเนี่ยหรือการพูดง่ายๆนะการเห็นทุกการเห็นทุกเนี่ยนะกิเลจะทาให้เราทุกอะ่ะใช่ล่ะการเห็นทุกเนี่ยก็คือการเห็นอริยสัจใช่ไหมคนที่เข้าใจตรงนี้ได้เนี่ย เห็นกิเลสตัวเองก็เหมือนกับเห็นทุกอริยสัจคนที่เห็นทุกอริยสัจนี่เป็นบุญหรือเป็นบาป <c oughs> เป็นบุญนะพราะคนที่สัมมาทิฏฐิเนี่ยเห็นทุกอริยสัจได้โอ้โหเห็นทุกอริยสัจยากขนาดไหนโอ้โหบอกไปบ่อยเลยพระอาจารย์ท่าเปียกไงจากนักแม่นธนูเนี่ยอยู่ในที่ไกลโอ้โหยิงลูกธนูจากที่ไกลเนี่ย สามารถที่จะไปถูกไ อ, ไอช่องกุญแจเนี่ยพูดง่ายล่องดานเนี่ยแหละเข้าล่องได้พอดีนี่โอ้โหมันยากใช่ไหมยากมากๆนะต้องแม่นจริงๆนะคุณต้องมือเที่ยงมือต้องเจ๋วเลยแหละถึงจะยิงลูกศรเข้าไปในล่องดานได้หรือเอาเส้นผมมาเส้นขนมาเนี่ยขนสัตว์ขนผมขนเราก็ได้เอาเอามาเส้นหนึ่งพาออกแบ่งออกเป็นเจ็ด แจกเท่าๆ่ากันเป็นเจ็ดแจกเนี่ยเอาไม่ต้องเอไม่ต้องเท่ากันเลยเอาแบ่งเป็นเจ็ดแจกเส้นเดียวเนี่ยแบ่งแจกให้ไปไป็นเจ็ดแจกกูว่าเป็นไงอันบางเคยบอกโอยไม่ต้องเจ็ดแจกเราสองแจกก็พอแล้วสองแค่สองแจกยังจะเล็งเล็งแทบจะแย่ใช่ไหมเพราะเส้นผมเนี่ยมันมันเล็กนิดเดียวโอยคุณเล็งแทบจะแย่อยู่แล้วแค่สองแจกนั่นก็จะ จะบ้าตายอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าท่านกระเปียบไว้คนที่เห็นทุกอริยสัตว์ได้เนี่ยมันยากแสนยากเพราะฉะนั้นคนจะเห็นได้ยอย่างผู้พระเจ้าตัสรู้ตัสรู้อะไรตัสรู้เนี่ยแหละตัสรู้ทุกอริยสัตว์นี่แหละทุกคําว่าทุกอริยสัตว์เนี่ยคือทุกที่เกิดจากกิเลสส่วนทุกธรรมดาทั่วไปทุกอะไรอ่ะโดนคนตีหัวเจ็บหัวหัวแตก ทุกข์พาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เดินไปตกท่อ <c oughs> ขาขาแพลงเจ็บไอ้ทุกข์แบบนี้ไม่ต้องพูดเจ้าตัดสรู้ <c oughs> ทุกข์แบบนี้ใครๆก็รู้ยังเคยบอกอะต่อให้หมาเนี่ยมันเดินตกท่อคุณว่ามันมันรู้ไหมมันเจ็บไม <c oughs> ม, มันรู้จากทุกข์ไหมโถ่หมามันยังรู้เลยเพราะไม่ต้องไปพูดถึงเลยทุกข์แบบเนี้ไม่ใช่ทุกข์อริยสัจมาถึงบอก อย่าไปเข้าใจผิดนะทุกอาริยสัจคือทุกที่เกิดจากกิเลสเท่านั้นความหิวเป็นไงเป็นทุกไหมเออความหิวเป็นทุกอริยสัจไหมเคยบอกไปแล้วมันมีอยู่สองส่วนไงเล่าเอส่วนหนึ่งถ้ามันหิวแบบธรรมชาติอ่ะคุณไม่กินอะไรมาสามวันโอ้โหหิวปวดท้องไส้เกิีวเลยอย่างเงี้ยเอ้า ก็นี่มันธรรมชาติอยู่แล้วคุณไม่กินอะไรมาก็จะหิวจะแย่สิไอ้นี่มันไม่ใช่กิเลทนะมันเป็นธรรมชาติไ อ, อ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าใครทุกข์แบบนี้แล้วเห็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์นี้ไม่ใช่อริยสัจแต่หิวเพราะอะไรโอ้โหเลก็กิซัตส้มตำพิซซ่าอะไรอีกกว๋วยเตี๋ยวโอ้โหจริงๆรนี่อะไรนั่นกระเพาะคลาดไ อ, ไอ้ท้องพุงยุ้ยแล้วเอาเสร็จแล้วยังไง ยังหิวเลยโหยังหิวเลยยังอยากกินอีกนี่แหละนี่แหละข่าวนี้แหละเพราะจริงๆอะไรมันชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เพราะธรรมดาไม่ใช่เพราะธรรมชาติอะไรเลยอันี้มันหิวเพราะกิเลสชัดๆเลยแล้วคนนี้เห็นไหมละ่ะถ้าข่าวนี้คนที่โอ้โหจริงๆเพิ่งกินอิ่มๆเลยนะแต่พอไปเห็นอะไรแล้วอยากกินอีกแล้ว โ, โหหิวอีกแล้วอยากกินอีกแล้วคนเนี้ถ้าเห็นได้เลยว่า วันนี่มันกิเลสเราแท้ๆเลยเห็นชัดเจนเลยนะเห็นเห็นจริงๆนะไม่ใช่เห็นแค่ภาษานะเห็นด้วยเกิดญาณบัญญาเห็นจริงๆว่าโอ้โหนี่กิเลสเราอุปทานเราที่เราไปสะสมมานะไอ้นอนอร่อยไอ้นี่อร่อยเห็นเมื่อไหร่ก็อยากกินเห็นเมื่อไหร่ก็อยากกินนี่มันกิเลสชัดๆเลยอย่างนี้แหละคราวนี้ความหิวอย่างนี้ของคนนี้ถ้าเห็นได้คือเห็น ทุกอริยสัตว์ต้องแยกตรงนี้ให้ชัดถ้าใครแยกตรงนี้ชัดแล้วคนนี้แหละจะเข้าใจเรื่องอริยสัตว that, ์เพราะฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยใช่ไหมคนนี้ก็จะอ่านจิตเป็นละว่าอ๋อต้องอ่านกิเลสเราให้ออกเพราะถ้าอ่านกิเลสเราออกได้ <i> เมื่อรู้จักกิเลส <i> คือจะรู้จากกิเลสได้ต้องอ่านกิเลสให้ได้ใช่ไหม <i> เพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เห็นกิเลสอ่านกิเลสไม่เป็นคนนั้นยังไม่รู้จักกิเลสของตัวเอง แล้วส่วนใหญ่คนที่ไม่ค่อยรู้จักกิเลสของตัวเองเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะมักเสียเวลากับกิเลสของคนอื่นมักไปเสียเวลากับกิเลสของคนอื่นโอ้คนนั้นน่ะนิสัยอย่างนั้นนิสัยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาเวลาไปทุ่มเทกับกิเลสของคนอื่นเขาเนี่ยซะเยอะเลยลืมเลยลืมมองกิเลสตัวเองบางทีเนี่ยนะโอ้ว่าเขาอย่างงั้นอย่างนี้ อ, อ, อะไรอ่ะ เอานายยกคนนี้อย่างงั้นอย่างงี้บางทีตัวเองก็ไม่แพ้นายยกเท่าไหร่แต่ลืมเลยไม่ได้ดูของตัวเองเลยไปดูของคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสําคัญนะเพราะคนจะรู้ทุกอริยสัจได้ถึงบอกต้องเห็นกิเลสตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้เลิกเสียเวลาเถอะที่จะไปคอยดูกิเลสคนอื่นเขาอาจมาบอกบ่อยผู้เจ้าเนี่ยท่านตรัสไปเลยภิกษุบวชใหม่เข้ามา เธอไม่ต้องไปเที่ยวมองคนอื่นไม่ต้องไปเที่ยวดูกิเลสคนอื่นเขาหให้ดูเฉพาะกิเลสตัวเองเท่านั้นตัดไว้เลยกับภิกษุบวทใหม่อันนี้ชัดเจนเตือนเลยนะท่านเตือนไว้เลยภิกษุที่บวดใหม่มาก็หมายถึงว่าคนที่มาเริ่มปฏิบัติเนี่ยเพราะมันจะเห็นได้ชัดไงเพราะคนที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยก็ยังยังไม่ค่อยเป็นเมื่อยังไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็จะเที่ยวชอบมองกิเลสคนอื่น มองกิเลสของอื่นเขาเนี่ยแล้วจิตตัวเองก็จะไปตามกิเลสของคนอื่นเขาในที่สุดก็เลยไม่ได้เข้ามาหาที่ตัวเองก็เลยลืมดูกิเลสของตัวเองพอลืมดูกิเลสของตัวเองก็เลยไม่รู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นคนไม่รู้จักตัวเองเนี่ยจะลืมตัวง่ายจะหลงตัวเองง่ายนี่แหละประเด็นสําคัญเพราะคนหลงตัวแล้วเนี่ยโอ้ยากเลยยากหลงตัวมีหลายอย่างนะใช่ไหมหลงเรื่อง ฉันเรียนมามากหลงอะไรอีกหลงว่าฉันคนสวยคนหลอ่อหลงอะไรอีกหลงว่าฉันรวยหลงยศถาบรรดาศากว่าฉันมีอะไรเนะี่ยฉันมีตําแหน่งสูงกว่าแกนะเออหลงว่าอะไรหลงว่าฉันอายุมากกว่านะอา่าหลงอะไรอีกหลงว่าฉันทําเก่งกว่าแกนะเอา้าหลงอะไรอีกฮะเยอะแยะเลยอ่ะ ไอ้ที่บอกว่าเยอะแยะเนี่ยนะลองไปดูตัวเองนะเราจะรู้ว่าโอ้โ oh, ห oh, อย่างอย่างงี้อย่างนี้เรายัางหลงอยู่นะคือคือพอชัดอย่างนี้แล้วเนี่ยอาตมาถึงบอกไม่เสียเ <c oughs> วลาจริงจริงเทียวไปดูคนนั้นดูคนนี้ดูซิดูที่น่ะเดินไม่เหมือนผู้เหมือนคนเลยเ <c oughs> ออบางทีบอกแล้วไม่ใหญ่ดูตัวเองเลยตัวเองเดินดีนันี่เ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยนะอันเนี้ยฝากไว้อ่ทั้งหมดเนี่ย นันเนี่ยคนนี้จะแก้ได้ก็อบอกแล้วเนี่ย oh, oh, โอ้โหก็ต้องมาหาดมองโดยเองหัดแยกถูกแยกผิดให้ได้จนกระทั่งนินสัยเก่าๆ เ, เนี่ยมันมันมันลดลงไปได้นิสัยเก่าๆของนักปฏิบัติธรรมทั้ง4ี่คนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะพวกเธอได้โยนิโสมนาสิกานโดยมีการปฏิบัติให้ลงไปถึงที่เกิดที่เกิดคือกิเลส น, นะอ่าให้ลงไปถึงจิตเนี่ยแหละ มีการทำใจในใจอย่างแยบคายท่องแท้จนล้างสมุทยัยอันเป็นต้นเหตุของกิเลสทั้งหลายได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปที่ท่านสรุปเอาไว้อ่ะวันนี้ก็คงฝากบุคคลสำคัญสี่ท่านเนี่ยนะคุณเข่งคัดอัดคนอื่นคุณหย่อนยานบาลท่โรคคุณปัญญานิยมร่วมเมืองและคุณเพ่งงานไม่อ่านใจ จริงๆยังมีกว่านี้อีกเยอะก็ไปคิดเอากันเอาเองต่อแล้วกันอาววันนี้คงฝากไว้เท่านี้